181. ไม่มีกายอย่างสำมาทิฏฐิก็ปฏิบัติสำบูรณ์ไม่ได้การปฏิบัติที่ไม่มีภายนอกอยู่ครบการทำใจในใจตัดภายนอกเข้าไปอยู่แต่กับในภายในนั้นสติไม่ตื่นเป็นสติมันโตคือไม่ตื่นรู้พร้อมสำประชัญญะการพินิจพิเคราะห์ จึงไม่มีสัมปะชานะไม่มีความรู้สึกไม่มีความคิดสัมปะวัดเตติก็ไม่เกิดการดำเนินไปก็ไม่เกิดก็ทำสัมปะทาติไม่ได้ส่งต่อให้ไม่ได้ก็สัมปาเทติไม่ได้จัดแจงไม่ได้พยายามทำให้สาเร็จไม่ได้สัมปัดติก็ไม่มีสาเร็จเจริญก็ไม่มี สำปัโนโนความถึงพร้อมแล้วคือสำเร็จจบก็เป็นอันหมดหวังก็เป็นอันไม่มีทางเลยการปฏิบัติของพุทธจึงต้องปฏิบัติที่พร้อมในปัจจุบันแต่กระนั้นผู้หลงแต่ปัจจุบันเองนี่แหละก็ใช่จะรู้ตัวเองได้ง่ายๆว่า จริงจริงนั้นตัวของตนยังหลงติดยึดอะไรอยู่บ้างอุปาทานสี่ตนหลงติดยึดในอุปาทานใดอยู่เท่าใด